เรื่องยาหยอดตา265สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคตาพวกภิกษุต้องพยุงภิกษุนั้นไปให้ถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นพวกภิกษุกำลังพยุงภิกษุนั้นไป ให้ถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างจึงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เป็นโรคอะไรพวกภิกษุกราบทูนว่าท่านรูนี้อาพาธเป็นโรคตาพวกข้าพระองค์คอยพยุงท่านไปให้ถ่ายอุจจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างพระพุทธเจ้าข้า ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยาหยอดตาอันได้แก่ยาทาตาที่ปรุงด้วยเครื่องปรุงหลายอย่างยาป้ายตาที่ทำด้วยเครื่องปรุงต่างๆยาทาตาที่เกิดในกระแสน้ำ หรดานกลีบทองข่ า, าไฟ